วันนี้เป็นวันเสาร์ที่21มกราคมพุทธศักราช2566เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกาหนดให้ญาติโยมได้หยุดภารกิจการงานต่างๆเพื่อมาทำภารกิจทางด้านจิตใจ เวัาวานพระวันที่พวกเราทั้งหลายไม่ต้องไปทำงานอะไรต่างๆเพื่อที่เราจะได้มาทำงานของใจใจของพวกเรานี้ก็เปรียบเป็นเหมือนกับรถยนต์รถยนต์นี้เมื่อใช้ไปเรื่อยๆก็ต้องมีการเข้าศูนย์เพื่อตรวจ เช็คสภาพของรถยนต์เพื่อเติมน้ำมันเติมอะไรต่างๆจอดแวะตามสถานีบริการเรื่อยๆเพราะต้องคอยเติมน้ำมันคอยเติมลมคอยเติมน้ำคอยเติมน้ำมันเครื่องน้ำมันอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้บำรุงรักษาให้รถยนต์นี้ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ที่สามารถนำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางต่างๆได้ใจของพวกเราก็เป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งของพวกเราที่กำลังพาพวกเราให้ไปสู่บ้านของพวกเราตอนนี้พวกเรา กำลังเป็นการเดินทางอยู่เป็นนักเดินทางอยู่เดินทางอยู่ในไตรภพอยู่ในสังสารวัฏอยู่ในโลกทั้งสามคือกามภพรูปภพและอรูปภพเราต้องการที่จะออกจากไตรภพนี้ไปออกจากสังสารวัฏ คือพบแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้เพื่อให้ไปสู่ถึงจุดหมายที่ปลอดภัยที่ปราศจากภัยอันตรายต่างๆทั้งหลายทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าและพระอหรหันาตสาวกทั้งหลายได้ไปถึงกันนั่นก็คือไปพระนิพพานนี่พระนิพพานเป็นที่ จะให้เราอยู่อย่างลุ่มเย็นเป็นสุขอยู่อย่างปราศจากความทุกข์อยู่ปราศจากภัยอันตรายต่างๆต่างๆที่พวกเราอย่างต้องรผชนกันอยู่ในขณะนี้พอเราไปถึงบ้านของเราแล้วเราก็ไปถึงที่ปลอดภัยไปถึงที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่จะให้ความสุขความอิ่มความพอ แก่พวกเราไปตลอดอนันตการไม่มีวันสิ้นสุดในขณะนี้เรากำลังเดินทางกันเราจึงต้องคอยดูแลซ่อมบำรุงรักษาใจของพวกเราที่จะพาให้พวกเราได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราปรารถนากันได้ ถ้าเราไม่คอยดูแลรักษาใจของเราก็เหมือนกับซื้อรถยนต์มาแล้วเราก็ขับอย่างเดียวไม่สนใจที่จะเอาเข้าศูนย์ไม่สนใจที่จะวะจอดแวะตามสถานีบริการต่างๆเพื่อเติมน้ำมันเติมน้ำอะไรต่างๆถ้าเป็นเช่นนี้ขับไปได้ไม่นานต้องให้เป็นรถใหม่ขนาดไหนก็ตาม ถ้าไม่มีการซ่อมบำรุงไม่มีการคอยเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วรถก็จะต้องจอดวิ่งไม่ได้เพราะขาดน้ำมันขาดสิ่งที่จะทำให้รถยนต์นี้ทำหน้าที่ของเขาได้อย่างเต็มที่ใจของพวกเราก็เป็นเช่นนั้นต้องมีการเข้าศูนย์ ต้องการมีการจอดแวะตามสถานีบริการต่างๆอยู่เรื่อยๆถ้าเราต้องการที่จะให้ใจของเราขับเคลื่อนเราให้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่พวกเราทุกคนปรารถนากันก็คือความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงความได้ไปถึงสู่ความสุขที่แท้จริงที่ถาวร ที่ไม่มีวันสิ้นสุดคือพระนิพพานนี่คือเรื่องของวันพระที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดให้มีเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเพราะถ้าไม่ทรงกำหนดพวกเราก็จะไม่เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาใจของพวกเรากัน เราก็จะถูกความรุ่มหลงหลอกให้เราไปให้ความสำคัญกับร่างกายที่เป็นของชั่วคราวและไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงเพราะเราถ้าไม่มีธรรมะเราจะหลงคิดว่าร่างกายนี้คือตัวเราร่างกายเป็นเป็นเครื่องมือที่จะพาให้เรา ได้ไปพบกับความสุขต่างๆแต่เราไม่ได้คิดถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายว่าร่างกายของเรานี้ถึงเม้จะเป็นเครื่องมือที่พาให้เราไปพบกับความสุขต่างๆเช่นไปพบกับลาบยศสามรเสริญพบกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ ความสุขเหล่านี้จะต้องมีวันสิ้นสุดลงมีวันหมดไปเพราะว่าเครื่องมือคือร่างกายของพวกเรานี้เป็นของชั่วคราวร่างกายนี้เมื่อเกิดมาแล้วก็จะต้องมีความแก่ตามมามีความเจ็บไข้ได้ป่วยตามมามีความตายตามมาพอได พบกับความแก่ความเจ็บความตายร่างกายก็จะไม่สามารถทำหน้าที่หาความสุขให้กับพวกเราได้ตอนนั้นเราพวกเราก็จะอยู่กับความทุกข์ไปจนกว่าจะตายจากโลกนี้ไปแล้วพอตายไปแล้วก็ไม่ได้จบที่ความตายใจของเราที่ยังหิวโหวย กับการแสวงหาความสุขผ่านทางร่างกายก็ยจะไปรอรับร่างกายอันใหม่ต่อไปจะไปรับร่างกายที่พ่อแม่คนใหม่ของเราจะผลิตขึ้นมาแล้วพอเราได้รับร่างกายอันใหม่พอเราคลอดออกมาจากท้องแม่เราก็จะใช้ร่างกายอันนี้เพื่อหาความสุขต่างๆต่ตตอไปอีก เราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะมาเกิดกี่ครั้งตายกี่ครั้งก็ตามแต่ความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้ไม่มีวันหมดไม่มีวันตายไปกับความตายของร่างกายร่างกายตายไปแต่ความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายไม่ได้ตายมัน เมื่อมันไม่ตายมันก็เลยเป็นตัวผลักดันให้เราไปคอยรอรับร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆเราถึงมีการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างนี้มาอยู่เรื่อยๆมาเป็นเวลาอันยาวนานแล้วเราพวกเราไม่รู้กันเพราะแต่ละครั้งที่เราตายไปเราก็ลืมอดีตของเราไปหมดหรือว่า ชาติก่อนเราเคยได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้มาหาความสุดจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัทธ์ต่างๆผ่านทางร่างกายพอร่างกายอันนี้ตายไปเราก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่ถ้าเรารู้เราก็จะได้เข็ดหละเป็นเพราะการมาเกิดแต่ละครั้งนี้มัน ต้องมีการหลั่งน้ำตาอยู่เรื่อยๆมีใครบ้างที่มาเกิดในโลกนี้แล้วไม่หลั่งน้ำตากันไม่มีรับประกันได้ต่อให้เกิดสูงขนาดไหนใหญ่โตขนาดไหนร่ำโวยขนาดไหนมีความสุขมากมายขนาดไหนก็ตามแต่ก็ยังหนีไม่พ้นกับการที่จะต้องหลั่งน้ำตาเวลาที่เจอกับความทุกข์ชนิดต่างๆ ไม่มีข้อยกเว้นใครก็ตามเมื่อมาเกิดในโลกนี้แล้วไม่มีข้อยกเว้นว่าจะไม่ต้องหลั่งน้ำตาจะไม่ต้องเจอความทุกข์ต่างๆต้องเจอด้วยกันต่างกันตรงที่มากหรือน้อยเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าน้ำตาที่พวกเราหลั่งนี่ในแต่ละภพแต่ละชาตินี้ถ้าเราเอามารวมกัน น้ำตาที่เราได้เคยหลั่งมาแล้วนี่มันมีมากยิ่งกว่าน้าในมหาสมุทรสิคิดดูกันแล้วกันน้าในมหาสมุตนี้กว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนมีปริมาณมากน้อยเพียงใดก็ตามแต่จะมีไม่มากเท่ากับน้ำตาของพวกเราที่เราได้หลั่งกันมาในแต่ละภพแต่ละชาติที่เราได้มาเกิดกัน นี่คือความทุกข์ของการที่พวกเรามาเกิดกันเกิดแก่เจ็บตายพัดพากจากกันเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้กันมาอยู่อย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันสิ้นสุดแต่พวกเราไม่รู้กันพวกเราลืมไปหมดลืมอดีตชาติพอมาเกิดชาตินี้ก็ ก็ไม่รู้ว่ามาได้อย่างไรเพียงแต่เห็นร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราแล้วก็เห็นว่าร่างกายไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องแก่เจ็บตายแต่เราพยายามที่จะไม่ไปคิดถึงมันเพราะเวลาที่เราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายมันจะทําให้เราเกิดความไม่สบายใจ เกิวความพผดผูใจเราจึงพยายามลืมมันพยายามไม่คิดถึงมันเพื่อที่เราจะได้มีความสุขจากการหาความสุขต่างๆในโลกนี้แต่วันไม่ช้าก็เร็วความจริงของร่างกายมันจะต้องมาเตือนเรามาประกาศให้เราเห็นว่าร่างกายนี้ แก่แล้วน ะ, ะผมเริ่มงอกขึ้นมาแล้วหลังเริ่มเหยียวย่นแล้ว น, นี่คือสัญญาณว่งบอกถึงความจริงของร่างกายที่ถึงแม้เราจะพยายามปฏิเสธพยายามที่จะไม่นึกไม่คิดถึงมันก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามไม่ให้มันแก่ได้แล้วเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วย มันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นการเตือนใจเราว่าเรามาแล้วนะความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราจะมาอยู่เรื่อยๆจนกว่าร่างกายนี้ทนไม่ได้และจะต้องตายไปในที่สุดพอเรามาเจอกับเหตุการณ์จริงใจของเราก็จะไม่พร้อมที่จะรับกับสภาพของความเป็นจริง ความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราได้สัมผัสกันนี่คือความที่เราไม่รู้ว่าการมาเกิดของพวกเหานี้เกิดแล้วจะต้องทำให้เราแก่เราเจ็บตตายแล้วก็ไม่ใช่เป็นครั้งเดียวที่เรามาเกิดเรามาเกิดนี้ คาังนี้ไม่รู้เป็นครั้งที่กี่แสนล้านครั้งนะแล้วก็จะเกิดไปต่อไปอีกเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้มาเจอคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าหรือภาษาวกของพระพุทธเจ้าที่มียาหยั่งทราบถึงความเป็นจริงของตัวพวกเรา ว่าพวกเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายพวกเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเป็นเหมือนมนุษย์ล่างหนที่มาอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายจึงทําให้เราต้องมาเกิดอยู่เรื่อยๆ มาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆเพราะธรรมชาติของร่างกายเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเป็นสิ่งที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปนั่นเองแต่เราต้องใช้ร่างกายเราก็ต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่มันร่างกายนี้ตายไปความอยากมันก็จะพาเราไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปเป็นอย่างนี้มาอยู่เรื่อยๆ จนกว่าเราจะมีโชควาสนาที่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้าก็ดีหรือมีพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีที่จะมาสอนบอกเรื่องถึงปัญหาของพวกเราว่าพวกเรากำลังหลงทางกันพวกเราไม่ได้เดินทางไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ แต่พวกเรากำลังเดินวนเวียนอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันพระพุทธเจ้าและพระอาลานตัสสาวกนี้ท่านเป็นผู้ได้พบทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะท่านรู้ว่าการที่เราต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนี้ ไม่ใช่เป็นคำตอบที่แท้จริงความตอบที่แท้จริงต้องหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือถ้าเราสามารถมีความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือได้รเราก็ไม่ต้องมีร่างกายต่อไปเมื่อเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายกัน อย่างที่เราเคยทำกันมาอยู่เรื่อยๆและวิธีที่จะทำให้เราดีความสุขจากการที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเราก็ต้องอาศัยการสร้างความสุขขึ้นมาในใจของพวกเรานั่นเองใจของเรานี่แหละเป็นแหล่งที่ให้ความสุขที่ดีที่ประเสริฐยิ่งกว่าความสุขที่เราจะ สามารถหากันได้ภายในโลกนี้ภายในตายภพนี้ไม่ว่าจะเป็นภพของมนุษย์ก็ตามภพของเทวดาก็ตามภพของพรหมก็ตามความสุขเหล่านี้ล้วนเป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวรเป็นความสุขที่จะต้องมีวันเสื่อมมีวันสิ้นสุดโดยเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องสิ้นสุดลงตายไป ตายไปไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเทวดาได้ระยะหนึ่งก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงไปเกิดเป็นพรหมก็อยู่ได้สักระยะหนึ่งแล้วในที่สุดก็ต้องเสื่อมลงสิ้นสุดลงเช่นเดียวกันพอสิ้นสุดจากการเป็นพรหมจากการเป็นเทพก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีก เวียนว่ายตายเกิดกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วถ้าหากตอนที่เป็นมนุษย์นี้ไปแสวงหาความสุขด้วยวิธีการทําบาปต่างๆเช่นด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยการลักทรัพย์ด้วยการประพฤติผิดประเพณีด้วยการพูดผลก็หกหลอกลวงอันนี้ก็จะดึงให้ ใจนี้ไปเกิดในภพที่ต่ำกว่ามนุษย์เป็นภพที่มีความทุกข์กว่าของมนุษย์ก็คือภพของเดลรชานภพของเปรตภพของอสุรกายภพของนรก<ม>แต่ภพเหล่านี้ก็มีวันเสื่อมมีวันชื่นสุดเช่นเดียวกันเมื่อไปใช้กรรมหมดแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ก็มาหาความสุขผ่านทางร่างกายใหม่แล้วก็มาแก่เจ็บมาตายใหม่พอตายใหม่ก็จะเปลี่ยนภพต่อไปจะเป็นภพที่สูงกว่ามนุษย์ก็เกิดจากการได้ทำบุญถ้าทาบาปก็จะได้ภพที่ต่ากว่ามนุษย์นี่คือภพชาติต่างๆ ที่พวกเรากำลังเวียนไหวากายเวียนไหวาตายเกิดกันอยู่อย่างนี้อย่างที่ไม่มีใครที่จะมาห้ามมันได้เลยแม้แต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็ไม่สามารถที่จะมาห้ามการเวียนไหยตายเกิดของพวกเราในตายพบนี้ได้เลยแต่สิ่งที่ท่านจะสามารถทำได้ก็คือสอนเราให้เราหายหลงกัน สอนให้พวกเราอย่าไปหาความสุขผ่านทางร่างกายกันให้หันมาหาความสุขภายในใจของพวกเรากันถ้าเราเปลี่ยนการหาความสุขได้เลิกหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เพราะเราสามารถหาความสุขทางใจได้เราก็จะต้องเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป อันนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี่คือหัวใจสำคัญของการพบกับพระพุทธศาสนาคือให้เรารู้ว่าวิธีการหาทางสุขผ่านทางร่างกายของพวกเรานี้เป็นวิธีพาให้เราเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าเราไม่อยากจะมาเวียนว่ายตายเกิดกันมาหลังน้ำตา ให้มากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันจากการหาความสุขผ่านทางร่างกายให้เรามาหาความสุขทางใจทางใจกันและสิ่งที่จะทำให้เราสามารถหาความสุขทางใจได้ก็คือบุญบารมีต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงได้ใช้มาเป็นเครื่องมือหาความสุข จนทำให้พระองค์นี้ได้เข้าถึงความสุขที่สมบูรณ์ที่ถาวรที่จะทำให้ท่านไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนพวกเราแล้วพอพระพุทธองค์ได้ไปเสงพนิพพานาลแล้วได้พบกับความสุขที่ถาวรแล้วได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วพระองค์ก็ทรงอุทิศเวลาที่เหลืออยู่ ที่ร่างกายยังอยู่ได้ประมาณสี่สิบห้าปีมาเผยแพร่ความรู้อันประเสริฐนี้ให้กับพวกผู้ที่ยังไม่รู้วิธีการหาความสุขทางใจกันไม่รู้วิธีหยุดการหาความสุขทางร่างกายกัน ไม่รู้ว่าทำไมควรจะเลิกหาความสุขทางร่างกายกันแล้วให้หันมาหาความสุขทางใจด้วยการสร้างบุญบารมีต่างๆที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้พัฒน์เพญกันได้ปฏิบัติกันจนพาให้ใจของท่านนี้ได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งสังสารวัฏแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ อันนี้หละคือประเด็นสำคัญของการได้มาพบกับพระพุทธศาสนาประเด็นสำคัญก็คือพวกเราอย่างเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอยู่พราเรายัางอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันถ้าเราอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏถ้าเราอยากออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ เราต้องปฏิบัติตามที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติและทรงนำมาสอนพวกเราคือให้เราหาความสุขจากการสร้างบุญบารมีต่างๆนี่เปลี่ยนการหาความสุขจากการหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นลดโผภฐพัชชนิดต่างๆแล้วให้เรามาหาความสุขจากการสร้างบุญบารมีกัน บุญบารมีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรานี้มาสร้างกันนี้ก็มีอยู่สิบประการด้วยกัน<ม>คือความจริงมีหกประการที่เป็นบุญบารมีที่เราต้องสร้างส่วนอีกสี่บารมีนี้เป็นบารมีที่เราจะต้องใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสุขทางใจถ้าเราไม่มี เครื่องมือที่จะสร้างความสุขทางใจคือบารมีสี่ข้อเราก็จะไม่สามารถสร้างบารมีหกข้อได้เ mm hmm. นื่นบารมีสิบนี้มีแบ่งไว้เป็นสองส่วนบารมีที่เราต้องสร้างและบารมีที่เป็นเครื่องมือในการสร้าง mm hmm. เหมือนกับเวลาเราสร้างบ้านการจะสร้างบ้านนี้ นอกจากต้องมีอิฐหินปูนทรายมีกระเบื้องมีอะไรแล้วเป็นวัสดุก่อสร้างเราก็ต้องมีเครื่องมือมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาใช้ในการก่อสร้างเช่นเราต้องมีเลื่อยมีค้อนมีขวานมีจอบมีอะไรเครื่องมือต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่เราจะต้องมีถ้าเราต้องการจะสร้างบ้านฉันใดถ้าเราต้องการจะสร้างบารมีเพื่อให้เรามีความสุข เพื่อที่ให้เราจะได้เลิอกอาศัยการใช้ร่างกายเป็นวิธีการหาความสุขเราก็ต้องมีบา ร, รมีสี่ข้อที่เป็นเครื่องมือบาลมีสี่ข้อที่เป็นเครื่องมือก็คือหนึ่งได้แก่อธิษฐานบาลมีคือความตั้งใจ 2. อสัจจะบา ร, รมีคือความจรินใจสา วิริยะบารมีคือความขยันหมั่นเพียรสขันติบารมีคือความอดทนการที่เราจะสร้างบารมีต่างๆที่ทําให้เกิดความสุขทางใจได้เราจําเป็นจะต้องมีเครื่องมือในการก่อสร้างเหมือนกับผู้รับเหมาก่อสร้างก่อนที่เขาจะสร้างตึกรามบ้านช่างได้นี้เขาต้องมีเครื่องมือ เขาต้องมีวัสดุวัสดุก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้ามีวัสดุแต่ไม่มีเครื่องมือก็เอาเอาวัสดุมาประกอบให้เป็นตัวอาคารขึ้นมาไม่ได้ต้องมีเครื่องมือเช่นต้องมีเครื่องเครื่องตอกเสาเข็มมีเครื่องขุดเครื่องเจาะดินอะไรต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้แล้วถึงค่อยเอาวัสดิวัสดุก่อสร้างมามาก่อสร้างตัวอาคารได้ ชันใดพระนิพพานก็เป็นเหมือนบ้านเรือนที่เราจะมาสร้างกันการที่เราจะสร้างพระนิพพานบ้านที่มีแต่ความสุขบ้านที่ปราศจากความทุกข์บ้านที่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเราก็ต้องมีเครื่องมือก่อนต้องมีเครื่องมืออยู่สี่ข้อด้วยกันข้อแรกก็คืออธิษฐานแปลว่าความตั้งใจเราต้องตั้งใจทําอะไร เราก็ต้องตั้งใจไปหาวัสดุก่อสร้างมาสร้างบ้านกันนั่นสิสิ่งแรกที่เราจะถ้าเราจะสร้างบ้านเราก็รู้ว่าเราต้องมีวัสดุก่อสร้างเราต้องมีหินมีอิฐมีปูนมีทรายมีเหล็กมีน้ำมีอะไรต่างๆเป็นวัสดุก่อสร้างฉันใดบ้านที่เราจะสร้างคือพระนิพพานนี้ก็ต้องมีวัสดุก่อสร้างอยู่หกชนิดด้วยกัน ที่เราเรียกว่าบารมีอีกหกอันบารมีอีกหกอันที่เราจะต้องสร้างกันก็คือหนึ่งเมตตาบารมีสองทานบารมี 3. สศีลบารมีสเนคขั ม, มบารมีหอุเบกขาบารมีแล้วก็หปัญญาบารมี นี่คือวัสดุก่อสร้างบ้านพระนิพพานจะสร้างบ้านสร้างพระนิพพานขึ้นมานี้ต้องมีวัสดุก่อสร้างอยู่หชนิดด้วยกันทานอเมตาทานศีลเนคัมมะโอเบขาและปัญญาบารมีถึงจะสร้างพระนิพพานขึ้นมาได้และการที่จะสร้างการที่จะเอาวัสดุก่อสร้างนี้มาสร้างได้ต้องมีเครื่องมือในการสร้าง ก็ทั้งคือมีอธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะแล้วก็มีขันติ<ม>ดังนั้นสิ่งที่เราต้องพยังามทำกันก็คือสร้างเครื่องมือก่อนด้วยการมีความตั้งใจเช่นตั้งใจว่าภพนี้ชาตินี้จะไม่เอาจะไม่หาความสุขผ่านทางร่างกายแล้วเพราะการหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้เป็นการพาเราไปเวียนว่ายตายเกิด นี่คือความตั้งใจตั้งใจเลือกหาความสุขผ่านทางร่างกายแล้วก็ตั้งใจที่จะมาหาความสุขผ่านทางทางใจผ่านการสร้างบารมีแเราก็จะต้องตั้งอธิษฐานว่าเราจะต่อไปนี้เราจะสร้างบารมีทั้งหขึ้นมาคือเราจะสร้างเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมีเนคข ม, มะบารมี อุเบขาบารมีและปัญญาบารมีตามลาดับอันนี้เป็นอธิษฐานคือความตั้งใจอธิษฐานทางาศาสนาอธิษฐานในบารมีสิบนี้ไม่ได้แปลว่าขอขอไม่ได้ของต่างๆนี้ขอไม่ได้ต้องหากันเอาเองาศาสนานีาศาสนาของพระเจ้าเรียกว่ า, าศาสนาธรรมธรรมนี้แปลว่ามาจากคำว่าท อ, ท, อทหารสละอัม ศาสนาธรรมศาสนาการกระทำไม่ใช่ศาสนาขอ mm. พระเจ้าสอนให้เป็นอัตตาหิอัตโนนาโถต้องตนต้องเป็นที่พึ่งของตนตนต้องสร้างบ้านคือพระนิพพานขึ้นมาเองไม่มีใครมาสร้างให้กับเราได้พระพุทธเจ้าสร้างให้เราไม่ได้พระอรหันต์สร้างให้เราไม่ได้ท่านเป็นเพียงคนสอนวิธีสร้างให้กับเราเท่านั้นเอง สอนว่าเราต้องมีวัสดุก่อสร้างอะไรบ้างสอนให้เรารู้ว่าเราต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างอันนี้คือเรื่องของการคำว่าอธิษฐานแปลว่าการกระทาความตั้งใจที่จะกระทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนีงเรียกว่าอธิษฐาน เรารู้แล้วว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้เกิดจากการหาความสุขผ่านทางร่างกายเราก็จะอธิษฐานว่าต่อไปนี้เราจะเลิกไม่หาความสุขผ่านทางร่างกายกต่อไปเราจะหันมาหาความสุขผ่านบารมีทั้งต่างๆจากการมีความเมตตาเ<ม>บื้องตอนนี้เราเอาเมตตาก่อนบารมีข้อแรกที่เราต้องสร้างกันก็คือความเมตตา กาเป็นเหมือนกับการก่อสร้างอาคารสูงๆนี่สิ่งแรกที่เขาต้องทํำก็คือต้องตอกเสาเข็มก่อนถ้าไม่ตอกเสาเข็มแล้วพื้นมันจะไม่มีกําลังนับน้ำหนักถ้าไปสร้างบนพื้นที่ไม่มีกําลังพอเอาน้ําหนักของตัวอาคารขึ้นมาตั้งที่พื้นนั้นเดี๋ยวอาคารก็ทรุดได้พอทรุดแล้วก็ต้องเกิดความเสียหายอาจจะถึงกับล้มพังลงมาก็ได้ ดังนั้นเวลาที่ก่อสร้างบ้านโดยเฉพาะอาคารสูงๆนี้จะต้องมีการตอกเสาเข็มก่อนนั้นใดการจะสร้างพระนิพพานให้เป็นที่อยู่อาศัยของพวกเรากันนี้สิ่งแรกเราก็ต้องตอกเสาเข็มก่อนเสาเข็มในการตอกสร้างพระนิพพานนี้ก็คือการมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงดังในบทสวดแผ่เมตตา สัพเพสัตตาเยสัพปสั ต, สตทั้งหลายทั้งปวงจงยามีเวรกันเถิดความจริงหมายความว่าเราจะไม่มีเวนกับสัพปสัตทั้งหลายทั้งปวงอันนี้เป็นเรื่องของการเจริญเมตตาสิ่งแรกที่เราต้องมีคือมีอธิษฐานก่อนมีความตั้งใจว่าต่อไปนี้เราจะถือการสร้างความเมตตานี้เป็นหน้าที่ของเรา เป็นงานของเราไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนี้หน้าที่ของเราคือหาเงินหาเงินอย่างเดียวต่อไปนี้ถ้าเราหาเงินก็หาอยู่บ้างตามความจําเป็นหาเงินเพื่อเลี้ยงดูร่างกายแต่จะไม่หามไปมากไปกว่า น, นั้นถ้าเราต้องแลกระหว่างการหาเงินกับการหาความเมตตาเราจะเอาความเมตตาเพราะความเมตตานี้เป็นวัสดุก่อสร้างบ้านของพระนิพพาน แต่เงินทองนี้ไม่ได้เป็นวัสดุก่อสร้างบ้านพักนิพานแต่เป็นวัสดุก่อสร้างไตรภพถ้าเรายังไปหาเงินเพื่อซื้อใช้เงินไปเป็นเครื่องมือซื้อความสุขต่างๆอยู่เรากําลังไปสร้างไตรภพกันด้วยการหาเงินหาทองถ้าเราไม่อยากจะสร้างไตรภพไม่อยากจะสร้างสังสารวัฏเราต้องการสร้างนิพานเราต้องเปลี่ยนจากการหาเงิน เกินความจำเป็นเงินหาได้บ้างเพราะเรายังต้องใช้กับการเลี้ยงดูร่างกายแต่เอาเท่าที่พอเพียงกับการเลี้ยงดูร่างกายก็พออย่าให้มันมากไปกว่า น, นั้นถ้าถึงเวลาต้องเลือกระหว่างความเมตตากับเงินนี้ให้เอาความเมตตาเช่นสมมติเรามีเงินมีทองแล้วคนเข้ามาขอกู้เราอย่างนี้ เราจะปล่อยกู้แบบไม่มีดอกก็ได้ถ้าเราอยากจะสร้างนิพพานขึ้นมาเราไม่ต้องการเอากำไรจากการกู้หนี้ยืมสินของผู้อื่นเราต้องการสงเคราะห์เขาแล้วดีไม่ดีถ้าเกิดเขาไม่จ่ายเราก็จะไม่ไปไม่ไปอาฆาตพยาบาทเขาถือว่าเป็นการทำบุญทำทานไปอันนี้เรียกว่าเป็นการสร้างเมตตาบารมี ไม่จองเวรจองกรรมกันถึงแม้เขาจะมากู้หนี้ยืมสินก็ไม่คิดดอกแล้วถ้าต้นเขาไม่สามารถที่จะคืนเราได้เขาไม่จ่ายเราก็ไม่ไปเอาเรื่องเอาราวเขาให้อภัยเขายกให้เขาไปถือว่าเป็นการทำบุญทำทานอย่างนี้แหละเรียกว่าเรากำลังสร้างบ้านกันสร้างพระนิพพานกันเราไม่ได้สร้างใต้ภพกันเราไม่ได้สร้าง ส, าสังสารวัฏกัน ตามูวแต่หาเงินหาทองเอาเงินเอาทองเนี่ยมันเป็นการเอาเงินไปทําอะไรก็เอาเงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายมันก็ไปส่งเสริมการสร้างสังสารวัฏนั่นเองเดี๋ยวตายจากภพนี้ชาตินี้ความอยากใช้เงินซื้อความสุขต่างๆมันไม่หมดไปจากใจมันก็จะพาให้เราไปเกิดใหม่ไปหาเงินใหม่กันอีกอันนี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมเราต้องสร้างเมตตา บารมีกันก่อนอันนี้เป็นพื้นฐานของการสร้างสร้างบารมีต่างๆเพราะถ้าเรามีความเมตตาแล้วบารมีอย่างอื่นนี้จะตามมาง่ายถ้าเราไม่มีเมตตาบารมีนี้มันเสียดายเงินเนครยืมเงินไปก็ต้องคิดดอกแพงๆเพราะเราต้องการเงินเรายังจะเรายังคิดว่าเงินนี้เป็นตัวซื้อความสุขให้กับเรา แต่ถ้าเรามาเป็นชาวพุทธเราได้มาศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเงินนี่แหละเป็นตัวซื้อสังสารวัตกันซื้อตายพบกันซื้อการเวียนว่ายตายเกิดกันอย่างไม่มีวันสิ้นสุดลงงั้นเราไม่เอาเงินเราไม่เอาทองไม่เอากำไรเราต้องการเอาความเมตตาเป็นหลักเอาเสียสละเงินทองไปเพื่อแลกความเมตตามาให้ได้ ว่าเราต้องการสร้างพาะนิพพานกันเราต้องการหลุดพ้นออกจากสังสารวัฏเราก็จะไม่อาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายกันนะอันนี้คือบารมีข้อแรกที่ชาวพุทธเราที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราสร้างกันการสร้างบารมีคือเมตตาบารมีนี้ไม่ได้เกิดจากการนั่งสวดกัน แค่ เ, เวลาเราไหว้พระสวดมนตน์เสร็จหรือนั่งสมาธิเสร็จแล้วมักจะมีคนสอนว่าให้สวดบทแผ่เมตตาสัพเพสัตตาเวลาโนตุสัตต์ต่างหลายทั้งพวงจงไม่มีเวรกันเถิดอันนี้เป็นการสวดเฉยๆนะไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาไม่เป็นการสร้างเมตตาบารมีเพราะไม่มีการกระทําอะไรไม่มีการให้อภัยไม่ต้องมีเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้น เวลาใครเข้ามายืมเงินเราแล้วเขาไม่ยอมคืนเงินเรานี่เราจะทำยังไงเราจะโกรธแค้นฟ้องร้องหรือเปล่าจับเขาเข้าคุกเขาตารางหรือว่าเมตตาบารมีให้อภัยเขาไปเมื่อเขาไม่มีจะไปรีดให้เขาเอามาจ่ายเราได้อย่างไรก็คิดว่ายกให้เขาไปเสียเป็นการแผ่เมตตาบารมีอันนี้แหละเป็นวิธีสร้างเมตตาบารมีนะต้อง สร้างด้วยการกระทาไม่ใช่สร้างด้วยด้วยการสวดการสวดนี่เป็นเพียงการศึกษาหรือเป็นการสอนใจให้เรารู้ว่าวิธีแผ่เมตตาแผ่อย่างไรให้แผ่ตอนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาใครเข้ามาทำให้เราโกรธแค้นโกรธเคืองเสียอกเสียใจอย่าไปอาฆาตพยาบาทอย่าไปจองเวรจองกรรม ถ้าเราจะทำมาหากินหรือทำอะไรก็ต้องอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นอย่าไปหากินบนชีวิตของคนอื่นเช่นเป็นอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้เป็นตน้นเป็นชาวประมงไปจับปลามาขายอันนี้เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นอันนี้ไม่ได้เป็นการสร้างเมตตาบารมีการสร้างเมตตาบารมีนี้จะต้องไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่น แล้วก็ไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อื่นให้ความสุขกับผู้อื่นถ้าเรามีเงินเหลือใช้เราก็เอาไปให้คนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนทาบุญทำทาน<ม>คนที่เขาแร้นแค้นคนที่เขาไม่มีจะกินมีเยอะแยะ<ม>เรามีเหลือกินเหลือใช้เก็บไว้ทาไ ม, มถ้าเราอยากจะไปนิพพานอยากจะสร้างนิพพานเราอย่าไปหงหรซับสมบัติเข้าของเงินทอง ให้คิดถึงพระเวชสันดรผู้เป็นตัวอย่างของผู้สร้างทานบารมีพระเวชสันดร น, นี่ก็คือพระพุทธเจ้าของเราในอดีตชาติตอนที่จะมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะท่านเป็นพระเวชสันดรพอ<ม>ท่านตายจากพระเวชสันดรท่านก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมาสร้างบารมีต่ อ, นะอ น, นี่คือ สิ่งที่เราต้องมีในเบื้องต้นคือต้องมีอธิษฐานต้องมีความตั้งใจว่าชาตินี้เราจะมาสร้างพระนิพพานกันเราจะไม่สร้างสังสารวัฏกันดังนั้นเราจะไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันไม่ไปหาลาบยศสารเสริญสุขกันหาเพียงแต่ปัจจัยสี่เพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองเท่านั้นส่วนเวลาที่เหลืออยู่นี้เราจะมาสร้างบารมีกันสร้างเมตตาบารมี และการที่เราจะสามารถทําตามที่เราตั้งอธิษฐานได้เราต้องมีสัจจะเราต้องมีความจริงใจว่าเราไม่โกหกตัวเราเองเราบอกว่าเราจะทําอะไรเราก็ต้องทําอย่างนั้น <S <S เหมือนกับตอนที่พระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้โคนต้นไม้บอกเราจะนั่งอยู่ตรงนี้จนกว่าเราจะบรรลุกวดเก่าเราจะสร้างพระนิพพานเสร็จถ้าเรายังสร้างพระนิพพานไม่เสร็จเราจะไม่รู้จากที่นี้ไปเปน็นอันขาดอันนั้นแหะเรียกว่า สัจจะอธิษฐานต้องมีทั้งสองอย่างคู่กันถ้าตั้งใจแล้วไม่มีสัจจะเดี๋ยวลืมได้ทำไปลืมพอถึงเวลาจะให้ใครก็ลืมไปแล้วพอใครก็มากู้หนี้ยืมสินเราคิดดอกแพงๆขึ้นมาแล้วความโลบออกมาแทนหรือเวลาเขาไม่ใช้หนี้สินเราก็ไปร้องไปแจ้งความจับดำเนินคดีจับเขาติดคุกติดตารางอันนี้แสดงว่ามีอธิษฐานแต่ไม่มีสัจจะ อธิษฐานตั้งง่ายแต่จะทําทได้หรือไม่ได้อยู่ที่ว่ามีศัจจะหรือไม่ถ้าไม่มีศัจจะแล้วมักจะล้มเหลวเห็นไหมปีใหม่นี้ทุกคนวันปีใหม่นี้ตั้งอธิษฐานสัจจะก่อนปีนี้จะทําอย่างนู้นจะทําอย่างนี้จะไม่ทําอย่างงู้นไม่ทำอย่างนี้วันนี้เป็นยังไงลืมไปหมดหรื อ, อยังหรือว่าสิ่งที่เราตั้งกันไว้หรือยังอันนี้ถ้าไม่ถ้ามีสัจจะจะไม่ลืมจะตั้งว่าอะไรก็จะทําทอย่างนั้นตามที่เราตั้งไว้ ดังนั้นเราตั้งอธิษฐานว่าชาตินี้เราจะมาสร้างพระนิพพานกันเราจะไม่ต้องการสร้างสังสารวัฏกันดังนั้นเราจะไม่ไปหาเงินหาทองเกินความจำเป็นเราจะเอาเวลามาสร้างบารมีกันสร้างเมตตาบารมีด้วยการให้อภัยเวลาใครทำให้เราเสียหายเดือดร้อนเราจะไม่ไป อาฆาตโกรธเคืองไม่ไปแจ้งความไม่ไปขึ้นลงขึ้นศาลอะไรกันถือว่าแล้วก็แล้วกันไปจบไปต้องการยุติความยุติธรรมอยู่ที่การยุติ ก, การดำเนินการที่เรียกว่ายุติธรรมแต่ถ้าไปฟ้องร้องฟ้องศาลนี่มันไม่ยุติธรรมมันเป็นการอาฆาตพยาบาทถ้าเราต้องการความยุติธรรมเราต้องยุติการดาเนินการต่างๆต่อผู้ที่เข้ามาร่วงเกินเรา ต่อผู้ที่เข้ามาสร้างความเสียหายให้กับเราเราจะไม่เอาเรื่องเอาเรากับเขาเนี่ยเอาเวลาหนุตุไม่เอาไม่จองเวรจองกรรมกันแล้วเราทำมาหากินทำอะไรเราก็จะไม่เบียดเบียนผูน้เวลาเราทาอะไรเราต้องคอยสังเกตว่าผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนจากการกระทาของเราหรือไม่ถ้าเขาเสียหายเดือดร้อนเราก็ไม่กระทาแล้วถ้าเราเวลาเราโกรธแค้นโกรธเคืองแล้วอยากจะไป ทำร้ายร่างกายเขาหรือจิตใจเขาเราก็ต้องยับยั้งเอาไว้แล้วถ้าเรามีของกินของใช้เหลือเฟือกินไม่หมดใช้ไม่หมดก็ออเอาไปแบ่งคนที่เขาไม่มีบ้างให้เขาได้มีความสุขบ้างอันนี้แหละคือวิธีการสร้างเมตตราบารณีมีสี่ประการด้วยกันหนึ่งไม่จองเวรกันสองไม่เบียดเบียนกันสามไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจกันสี่ให้ความสุขต่อกัน อันนี้ต้องเกิดจากการกระทาไม่ใช่เกิดจากการนั่งสวดการนั่งสวดนี้เป็นการศึกษาหรือเป็นการทบทวนว่าวิธีสร้างบารมีเมตตาบารมีนี้สร้างอย่างไรเท่านั้นเองเพื่อไม่ให้เราลืมที่ให้สวดใบ่า ย, ายเพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมว่าเราจะต้องไม่เบียดเบียนกันไม่ไม่ทำร้ายกันไม่ไม่จองเวรกันเราต้องให้ความสุขต่อกัน นี่คือบารมีข้อที่หนึ่งถ้าเราสร้างบารมีข้อที่หนึ่งได้เนี่ยเราจะมีความสุขจากการมีเมตตาบารมีพระพุทธเจ้าว่าการมีเมตตาบารมีการสร้างเมตตาบารมีนี้มีอ น, นิสงส์อยู่หลายประการคือเราจะมีความสุขไม่ว่าเราจะหลับหรือจะตื่นเราก็มีความสุขเวลาเรานอนหลับเราก็จะไม่ฝันร้ายเวลาแล้วเราก็จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย จะมีเทวดาคุ้มครองรักษาจะไม่มีใครปองร้ายชีวิตเราด้วยอาวุธหรือยาพิษ<ม>แล้วถ้าเราจะฝึกสมาธิทำใจให้สงบใจก็จะสงบง่าย<ม>แล้วเวลาจะตายเราก็จะไม่หลง<ม>แล้วเวลาตายเราก็จะไปสู่สุคติ<ม>ถ้ายังไม่ไปถึงพระนิพพาน<ม>ก็ไปสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งก่อน<ม>เพื่อรอรอโอกาสหน้าที่เราจะกลับมาต่อ มาเติมบา ร, รมีต่ อ, อ น, นี่คือประโยชน์ของการสร้างสร้างเมตตาบา ร, รมีพอเรามีความเมตตาเรามีความสุขเราก็จะไม่อยากที่จะไปเบียดเบียนใครก็จะทําให้เราแล้วเราก็อยากจะให้คนอื่นมีความสุขจากถ้าเรามีความสุขเราก็อยากจะให้คนมีอื่นมีความสุขถ้าเรามีอะไรแจกให้คนอื่นได้เราก็จะแจก ถ้าเราเก็บไว้ไม่ได้เก็บไว้ต้องไม่ได้ใช้ไม่รู้อยากเก็บไว้ทาไมตายไปก็เอาไปไม่ได้เราก็เอาไปแจกกันทำบุญทำทานกันมันก็จะทำให้เราถ้าเรามีเมตตาแล้วการสร้างทานบา ร, รมีก็ง่ายนี่บา ร, รมีข้อที่สองที่เราต้องสร้างกันก็คือทานบา ร, รมีเพราะการสร้างทานบา ร, รมีนี้เป็นการสร้างสวรรค์ให้กับเรานั่นเองเราจะได้ไปเกิดเวลาร่างกายนี้ตายไปเราจะได้ไปสวรรค์กันก่อน เพราะเป็นทางผ่านสู่พระ น, นิพพานพระนิพพานนี้เป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดก่อนที่จะไปถึงพระนิพพานได้ต้องผ่านสวรรค์ชั้นเทพที่เกิดจากการทำทานแล้วก็ผ่านสวรรค์ชั้นพรหมที่เกิดจากการสร้างเนคขมมะบา ร, รมีกอลวเบขาบา ร, รมีแล้วก็ไปถึงขั้นพระนิพพานต้องผ่านต้องมีปัญญาบา ร, รมีในที่สุดนั้น พอเรามีเมตตาแล้วทีนี้เราก็มาสร้างทานบาราีกันถ้าเรามีอะไรที่เราเหลือกินเหลือใช้พอแบ่งปันให้คนอื่นได้ก็แบ่งไปหรือว่าถ้าเรามีเวลาว่างเราไปทำคุณทาประโยชน์ไปช่วยเหลือคนอื่นได้มันก็เป็นทานบาราีเหมือนกันอย่างที่ญาติโยมยมาช่วยกันทาหน้าที่เป็นช่วยกันถ่ายทอดสดนี้ ก็เรียกว่าเป็นทานบารมีเป็นธรมธรมธรรมทานมาช่วยการเผยแผ่ธรรมโดยการเสียสละเวลาอันมีค่าแทนที่จะ เ, เวลาไปปฏิบัติธรรมไปทําอะไรต่างๆที่มีคุณประโยชน์กว่าก็มาเสียสละมาทําการเผยแผ่ธรรมกันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทําทานการให้ทานไม่จําเป็นว่าจะต้องมีเงนินมีทองเพียงอย่างเดียวมีเวลาก็ได้เวลาว่าง ไปเป็นจิตอาสาทํางานสาธารณประโยชน์ต่างๆงานการกุศลต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างทานบา ร, รมีเมื่อเราทําทานบา ร, รมีแล้วใจของเราเวลาตายไปก็จะขึ้นไปสู่ชั้นเทพสวรรค์ชั้นเทพแล้วพอเราสร้างทานบา ร, รมีได้เราก็จะมีความสุขเราทําอะไรแล้วก็อยากใช้คนอื่นก็มีความสุขจากการกระทําของเรา เราก็จะไม่เบียดเบียนใครเราก็จะสามารถสร้างบารมีข้อที่สามได้คือศีลบารมีเราก็จะรักษาศีลห้าได้เพราะเราไม่อยากจะฆ่าสัตว์ไม่อยากจะรักทรัพย์ไม่อยากจ ะ, ะพูดผิดประเพณีไม่อยากจะพูดปดโกหกหลอกลวงไม่อยากดื่มของมญเมาเพราะเรารู้ว่าการดื่มของมลเมลเราจะทาให้เราขาดสติแต่ทำให้เราไม่สามารถควบคุมการกระทาของเราได้ ถ้าเรามีเมตตามีทานบารมีแล้วการรักษาศีลบารมีก็จะง่ายศีลห้าข้อ น, นี้เป็นของเป็นเหมือนกับเป็นของเป็นผลที่เกิดจากการมีความเมตตามีการทำทานมาคนที่มีเมตตาคนที่ทำทานอยู่เรื่อยๆจะไม่ชอบทำบาป <c oughs> ก็จะสามารถสร้างศีลบารมีขึ้นมาได้ถ้าเราสร้างศีลบารมีได้เราก็จะปิดประตูบายได้ <c oughs> ตายไปนี้ เราจะไม่ไปตายเราจะไม่ไปต่ำกว่ามนุษย์ท่านจะกลับมาเกิดใหม่ก็อย่างต่ำก็เกิดกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่จะไม่ลงไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ไปเป็นเปรตเป็นอสู ร, รากายไม่ไปตกนรกอย่างแน่นอนถ้าเราสามารถรักษาศีลได้ร<ม>ักษาศีลห้าได้ตลอดหรืออย่างน้อยก็ให้มันน้อยกว่าก่อกว่าบุญที่เราทกราก็แล้วกัน คือถ้าเราทําทานมากกว่าทำบาปเนี่ยบาปพี่ก็ยังแสดงผลไม่ได้นยังถ้าเราทําทานด้วยรักษาศีลด้วยนี้โอกาสที่บาปมันจะมีมากกว่าบุญนี้เป็นไปไม่ได้ยังทุกภพทุกชาติถ้าเรายังไปไม่ถึงพระนิพานนี้เราก็จะไม่ไปเกิดต่ำกว่าการเป็นมนุษย์เนี่ยจะไม่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเตดเมนสูลกายไปตกนรกอย่างแน่นอนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของศีลบารมีพอเราสร้างศีลบารมีได้ข้อที่ต่อมาก็คือเนื้อคั ม, มบารมีก็เป็นของง่ายเนื้อคัมะบารมีคืออะไรคือการยุติการหาความสุขผ่านทางกรมคุณห้า<ม>การออกจากการมาสุขต้องเรียนเนื้อคั ม, มแปลว่าการออกจากการมาสุขการมาสุขก็คือความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกาย เป็นเราไปดูหนังฟังเพลงไปกินไปเดิมไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปร่วมหลับนอนกันนี้อันนี้เรียกก็เป็นกามสุขกามสุขนี้เป็นเป็นสุขแบบต่ำเป็นความสุขที่จะทำให้เราติดอยู่ในในภพของกามคือภพของเทพภพของมนุษย์ถ้าเราอยากจะขึ้นไปสูงขึ้นไปพัฒนิพาเราต้องทิ้งภพของกามภพของกามภพของเทพของมนุษย์ด้วยการไม่เสกกามกัน การไม่เสกา ร, รก็คือการมาเจริญในขัมมะบารมีในขัมมะก็คือการถือศีลแปด น, นี่อย่างที่ญาติโยมมาบวชกันที่วัดนี้ที่มานุ่งขาวห่มขาวกันแล้วก็มาอยู่วัดกันเนี่ก็ถือศีลแปดกันแสดงว่าช่วงที่อยู่วัดนี้จะไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรดโผฏฐาพะศีลข้อที่สามก็เปลี่ยนเป็นบ ร, รมจริยาจะไม่ร่วมหลับนอนกับใคร แล้วก็เพิ่มสินข้อที่หคือไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานอาหารแบบเป็นเหมือนรับประทานยากินเพื่อร่างกายให้อยู่ได้ก็พอดับความหิวไม่ได้หาความสุขจากการกินมีอะไรก็กินได้กินแบบง่ายๆไม่ต้องเลือกอาหารที่โปรดที่อริดอร่อยกินแล้วสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาอันนี้ไม่ใช่เป็นการหาความสุขแบบนั้น ทางการดับความหิวของร่างกายเท่านั้นที่กิน<ม>ก็จะไม่กินหลังเที่ยงวันไปแล้ว<ม>บางท่านก็อาจจะกินมื้อเดียวไปเลยจะได้ไม่ต้องมามีปัญหามากกับเรื่องของการกินแล้วสีลข้อเจดก็คือการไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ<ม>การร้องลําทำเพลงการดูหนังดูละครการไปเที่ยวตามสถานบันเทิงอะไรต่างๆนี้ก็ต้องตัดไปพร้อมกับการไม่เสริมสวยความงามของร่างกาย ไม่แต่งเนื้อต่างกายด้วยเสื้อผ้าผา่อนที่ฉูดฉาดที่มีสีมีสันเพื่อเสริมความงามของร่างกายต่างๆเครื่องสอําอางเครื่องน้ําหอมอะไรต่างๆก็ไม่ใช้หมดไม่ให้หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสของทางร่างกายแล้วก็ข้อที่8ก็คือไม่นอนมากเกินไปไม่หาความสุขจากการหลับนอนโดยจะไม่นอนบนเตียงสําราญเตียงใหญ่ๆเตียงที่นุ่มที่ทสบายมากเกินไป ให้นอนแบบนอนกับพื้นแข็งแข็งนอนกับพื้นไม้พื้นดินปู ด, ด้วยผ้าด้วยเสือ่อก็พอถ้านอนแบบนี้จะนอนไม่นานพอ ร, ร่างกายได้หลับได้นอนได้พักผ่อนพอแล้วก็จะตื่นแล้วก็จะไม่อยากจะนอนต่อก็อยากลุกขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้ไปทําหน้าที่ต่อไปไปสร้างบา ร, รมีข้อต่อไปนี่คือเนคขมมะบา ร, รมี ก่อนที่เราจะไปสร้างบารมีข้อต่อไปได้เราต้องมีเนื้อมมะบารมีก่อนบารมีที่เราต้องการสร้างต่อไปจากเนื้อมมะบารมีก็คื อ, อก็คืออุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีก็คือการทําใจให้สงบนิ่งปราศ จ, จากความรักชังกลัวหลงเรียกว่าอุเบกขาบารมีจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีเวลาปฏิบัติจเจริญสมาธิจเจริญสติ ถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิใจก็จะนิ่งสงบไม่ได้ถ้าใจไม่นิ่งไม่สงบก็ไม่มีอุเบกขาเป็นการที่จะมีอุเบกขาบารมีเกิดขึ้นจึงจาเป็นที่จะต้องอมีเวลาจเจริญสติคอยควบคุมความคิดตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้ น, นมานี้ไม่ให้คิดเรื่องอะไรเลยให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือให้อยู่กับการดูเฝ้าดูร่างกายว่ากำลังทำอะไรอยู่ ร่างกายกำลังเดินกำลังยืนกำลังนั่งกำลังรับประทานอาหารกำลังอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันทำอะไรก็ให้คอยเฝ้าดูร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอื่นถ้าเรามีสติเราก็จะสามารถหยุดความคิดต่างๆได้พอเรามีสติหยุดความคิดได้เราเวลานั่งสมาธิเราก็จะทำให้ใจนิ่งให้สงบได้พอใจนิ่งสงบก็จะเกิดอุเบกขาความอิ่มความพอความสุขขึ้นมา อันนี้แหละคือความสุขที่พระเจ้าต้องการให้พวกเราเข้าหากันคือความสุขที่เกิดจากความสงบเรียกว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงลถแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงนัตติสันติบาลังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบนี้ไม่มีนี่คือเนธรขมมะคือความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่เกิดจากการมีเวลามาเจริญสติ เดินยืนนั่งนอนคอยควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆและเวลามีเวลาก็นั่งหลับตาบริกรรมพุโทโธไปก็ได้หรือดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกไปก็ได้โดยที่ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าใจหยุดคิดได้ไม่นานใจก็จะนิ่งสงบแล้วก็จะเย็นจะสบายจะพบกับความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนในชีวิตเลยถ้าได้พบกับความสุขแบบนี้เพียงครั้งเดียวแล้วจะติดใจ ทีนี้รู้แล้วว่าทำไมเราจะต้องมาสร้างบา ร, รมีกันมาสร้างนิพพานกันเพราะนี่แหละคือนิพพานคือความสงบของใจเพียงแต่ว่ามันเป็นความสงบชั่วคราวก่อนเท่านั้นเองถ้าเราต่อไปเราจะต้องมาเปลี่ยนความสงบชั่วคราวนี้ที่ได้จากเนคขมมะบา ร, รมีนี้ให้กลายเป็นความสุขที่ถาวรที่เป็นพระนิพพานไปเราก็ต้องมีสร้างเจริญบา ร, รมีข้อสุดท้ายก็คือปัญญาบา ร, รมี เราต้องมีปัญญาให้เห็นว่าสิ่งที่มาทําลายความสงบของใจก็คือความอยากของเรานี่ความอยากหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่าทุกครั้งที่เราจะมีความอยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราต้องใช้ปัญญามาสอนใจว่าความสุขทางนี้มันเปความสุขชั่วคราวความสุขที่จะมีวันสิ้นสุดลงความสุขที่จะพาให้เราไปเวรนวลายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆ ถ้าเรายังไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เราก็ต้องมีร่างกายต้องมีร่างกายพอร่างกายตายไปแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายใหม่อยูนั้นดั้นเราต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปหาความสุขแบบนี้เลยเป็นความสุขที่เป็นพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดกลับไปหาความสุขจากเนคขมมะดีกว่าก็เปลี่ยนใจไม่เอาดีกว่าไม่ไม่ทำตามความอยากพอเราไม่ทําตามความอยากได้พอความอยาก สงบตัวลงความสงบของเนคข ม, มักก็โผลขึ้นมาใหม่ทันทีแล้วมันก็จะเป็นความสงบที่ถาวรต่อไปเมื่อความอยากทั้งหลายที่โผล่ขึ้นมาได้ถูกกำรรจัดด้วยปัญญาไปหมดสิน้นพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจแล้วความสงบที่ได้จากสมาธิก็กลายเป็นความสงบของพระนิพพานไปนั่นเองเป็นความสงบที่ถาวรอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการที่เราจเจริญบรารมีตั้งแต่เมตตาบรารมี ทานบาลมีศีลบาลมีเนคขมะบาลมีอุเบกขาบาลมีและปัญญาบาลมีและโดยการใช้เครื่องมือสร้างบาลมีสี่ก็คืออธิษฐานบาลมีสัจจะบาลมีแล้วก็วิริยะบาลมีคือความเพียรนั่นเองเกอควกามขยันที่จะสร้างบาลมีต่างๆต้องขยันทำทานต้องขยันรักษาศีลกันต้องขยันปฏิบัติธรรมกันเรียกว่าวิริยะบารมี แล้วขันติบา ร, รมีก็ต้องอดทนพ่าเวลาสร้างบา ร, รมีแล้วมันมักจะมีมามาขวา ง, งเรื่อยเดี๋ยวเพื่อนก็มาชวนไปเที่ยวเดี๋ยวคนนู้นคนนี้ก็อยากจะให้เราไปทํานู่นทํานี่เราต้องใจเข้มแข็งเราต้องตัดไปให้หมดไปไม่ได้ตอนนี้ฉันกําลังสร้างนิพพานกันอยู่ท่าไม่ไปกับพวกเธอแล้วไม่อยากจะไปเวรไหว้ตายเกิดกับพวกเธอท่านอยากจะไปนิพพานต้องอดทนอดกัน้นนะต่อสู้ กับความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่เราต้องปฏิเสธผู้อื่นไปถ้าเราไม่มีความอดทนเราจะทําไม่ได้เกงใจเขาพอเกงใจเขาก็เราก็เลยเสียหายทําที่เราพยายามสร้างก็เกิดขึ้นมาไม่ได้งั้นอย่าไปเกงใจคนให้เกงใจธรรมถ้าเราต้องเลือกระหว่างคนกับธรรมให้เราเลือกธรรมถ้าเราต้องเลือกระหว่างการเวียนว่ายตายเกิดกับพันิพัณฑให้เราเลือกพนนกันิพัณฑกัน ด้วยการมาสร้างบารมีต่างๆดังที่ได้แสดงไว้ในวันนี้นี่คือวันพระวันณรมหน้าที่สร้างบุญบารมีต่างๆสร้างบ้านที่ถาวรคือพระนิพพานแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะ้ า, าวเรวาหาปูราปริปุเรนติสาขัง เอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุปการปติยิชิตังปฏิตังตุหังทิปเมวะสนิจตุสัพเพตุเรนตุสัง a ปาจันทตปนาราโสยธามณิโชติราโสย h าสัพพิตโยวิวัชานตุสัพพุโควินัสตุ มาเตภวะตวันตารายุสุขิทีคายุโกภวะอภิวาฒนสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารุธรมมวะทานติอายุวันโอสุขังพาลางช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะเป็นช่วงที่สะดวกที่สุดหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกนะต้องขออภัยด้วยถ้ามาถามตอนหลังจะไม่ได้ตอบเพราะหมดแรงหมดเสียงพอดีแล้นะวก็ไม่มีไมค์ทุกตอนนี้มันยังเสียงดังฟังชัดอยู่ใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้ถามเองก็ได้ เดี๋ยวเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจได้ทางยูทู e ได้เดี๋ยวทีมงานจะเอามาอ่านให้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ เรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมาหน้ากุดจากเ c e b o o k พระอาจารย์สุชาติห้าร้อยสิบเก้าพระสุชาติไลฟ e สองร้อยหกสิบหกยูทูบด็อกเ1วหนึ่งสุดหนึ่งร้อยหนึ่งวิทยุออนไลน์แปดคลับฮาสิบหนึ่งนากุดร้อยสี่สิบสามรวมทั้งหมดหนึ่งพันสี่สิบแปดท่านค่ะเชิญถามได้เลย กาบนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะถูกใจกล้ๆนะใก้ยงยังค่ะก็วันนี้หนูมีสองคำถามที่อยากจะเรียนถามพระอาจารย์ค่ะคำถามแรกก็คือเหมือนกับว่าปกติอาคาหนูจะปฏิบัติทุกวันแบบว่าเดินจงกรมนักสมาธิขั้นตอน1นชั่วโมงแล้วก็ แต่ว่าก็คือแล้วก็ตามรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะก็คือว่าเกิดอะไรขึ้นก็แค่รู้เฉยๆแต่ว่าช่วงนี้เหมือนเห็นจิตมันแบบเหมือนมันทุกข์บ่อยอะค่ะมันเห็นจิตแล้วมันก็รู้สึกทุกข์ทุกข์กับจิตแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเห็นจิตมันทุกข์เนี่ยเราควรจะรู้มันแต่ว่ายิ่งดูก็รู้สึกว่ายิ่งทุกข์มากขึ้นเรื่อยๆเหมือนมันบีบคันมากๆค่ะเลยไม่แน่ใจว่าควรกลับมาบริกรรมดีกว่าหรือว่าดูต่อไปให้มันบริกรรมดีที่สุดเพราะตอนนี้เรายังไม่มีสติที่จะหยุด เวลาเกิดความทุกข์ได้นั้นเราต้องใช้คำบริกรรมช่วยหยุดมันไปก่อนต่อไปถ้าเรามีสติกำลังมากแล้วพอรู้ว่าทุกข์มันก็จะหยุดเองได้แต่ถ้ามันไม่หยุดเราก็ต้องใช้คำบริกรรมถึงจะหยุด คำถามที่สองค่ะปกติอะค่ะคือชอบที่จะอยากจะปล่อยปลาช่วยปลาแต่ว่าด้วยความที่บ้านมันไกลจากตลาดหรือว่าทางแบบไม่สะดวกที่จะไปปล่อยถ้าสมมติว่าเราฝากเงินท่านอื่นอะค่ะมันไปช่วยให้เขาแบบไปซื้อปลาหน้าเคียงแล้วไปปล่อยอย่างเงี้ยคือมีคนบอกว่าอย่าทำแบบนั้นเพราะว่าเราไม่ได้บุญก็เลยจะถามพระอาจารย์นะคะว่าทําแบบนั้นได้ไหมสมมติว่าเราให้เงินเพื่อให้ท่านอื่นอะไปช่วยปล่อยปลาแทนอย่างเงี้ยค่ะคือเราได้บุญอะเราได้เสียเงินไปแต่จะไปถึงปลาหรือเปล่าไม่รู้ คนที่เขาเอาไปเป็นคนซื่อสรรย์หรือเปล่าหรือไม่เราไม่รู้เขาอาจจะอาไปใช้อย่างอน่งแทนปาที่เราอยากจะปล่อยก็เลยอาจจะไม่ได้ปล่อยแต่เราก็ได้บุญอยู่ดีเพราะบุญเกิดจากการให้ของเราแต่ผู้รับคือปลาจะไม่ได้รับคนได้รับอาจจะเป็นคนที่เราฝากเข้าไป ถ้าสมมติว่ป<ร>าปลาได้รับเราก็คือได้บุญเหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะได้รับหรือไม่ได้รับเราได้บุญอยู่แล้ว<อ>ตั้งแต่เราปล่อยเงินก้อนนี้ออกไปจากตัวเราให้ให้คนอื่นเอาไปทําให้เรานี้เราได้บุญอยู่แล้วแต่ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากเงินของเรานี้อยู่ที่ว่าเขาเอาไปทําตามที่เขาที่เขารับปากหรือเปล่าถ้าเขาไม่รับปากป่าตัวนั้นก็ยังต้องตาย<อ>แต่ถ้าเราไปทําเองเราก็จะได้รู้กับตัวเราเองว่าปลาตัวนี้รอด เอาไปซื้อมาแล้วเราก็เอาไปแต่ถ้าคนที่เขาทรัพย์ทำให้เรา mm. เขาเป็นคนซื่อสัตย์ mm. ไว้ใจได้ mm. ก็ก็น่าจะเชื่อก็น่าจะทําได้ mm. ปรอโยู่ก็จะถึงตัวปลาไม่ถึงที่คนคนคนฝากคนรับฝากไปใช่ค่ะขอบคุณเจ้แต่บุญเราได้อยู่ดีไม่ว่าจะไปใครใครเอาไปเราก็ได้อยู่ดีเพราะเราเสียสละบุญเกิดจากการเสียสละใช่ค่ะขอบคุณเจ้าค่ะ ถามจากคุณเกียรติศักดิ์ค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมฝึกนั่งสมาธิวันละชั่วโมงด้วยการภาวนาอิติปิโสประมาณหนึ่งปีรู้สึกใจสงบและนิ่งแต่ไม่สามารถหยุดความคิดได้ขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยครับก็ต้องพยายามฝึกให้มากกว่านี้คือไม่ใช่นมมาฝึกเฉพาะเวลานั่งเวลาที่เรายังไม่นั่งก็ควรจะสวดไปภายในใจเรื่อยๆเอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลย พอตื่นขึ้นมาแล้วก็อีตีพิโูไปภายในใจแล้วก็ไปทำหน้าที่ไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันหรือทำอะไรไปที่ไม่ต้องใช้ความคิดแล้วก็สวดไปเรื่อยๆถ้าอย่างนี้เวลามานั่งมันจะควบคุมความคิดหยุดความคิดได้มากกว่า คุณ s a m s u งกา a ล็กซี่ค่ะความเคยชินว่ามีตนของตนต้องพิจารณาด้วยสติปัญญาที่พร้อมใช้งานคือสงบระงรับความคิดปรุงแต่งและนิวรและนิวรใช้กฎพระไตรลักษณ์ในการพิจารณากายเวทนาจิตและธรรมมีสติปัญญาควบคุมเวทนาไม่ให้เกิดตัณหาเมื่อมีผัสสะใช่ไหมคะการจะลดละตัวตนได้ต้องเกิดจากการกระทําอย่าทําอะไรให้กับตัวเรามากเกินไป ทำเท่าที่จําเป็นเราพยายามทำประโยชน์ให้กับคนอื่นให้มากขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นวิธีการละตัวตนเพราะละแบบคิดเฉยๆนี่มันจะไม่มีน้ําหนักเท่ากับละจากการกระทําเช่นมีเงินก้อนอ่างนี้จะเอาไปซื้อความสุขให้กับเราก็ได้หรือเปลี่ยนใจเอาไปทําบุญทําทางให้คนื่นที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็ได้ถ้าทําอย่างนี้เราลดลดละตัว ต, วตวนแล้วเพราะเราไม่ได้ทําเพื่อตัวเราแล้วทําเพื่อคนอื่น พยายามลดละการกระทำเพื่อตัวเราให้น้อยที่สุดให้เหรือแต่เฉพาะทำให้กับร่างกายเพียงอย่างเดียวแล้วเราจะลดละโทษตนได้มาก คำถามจาก youtube ดร์ค่ะกราบสอบถามค่ะวันนี้ถือศินแปดแม่อยากดูทีวีเราไม่ได้เปิดเราไม่ได้ดูแต่เปิดให้ท่านค่ะหูได้ยินตาเห็นแต่ไม่ได้ดูกับท่านถือว่าผิดศีนขอดูการเล่นไหมคะตอนนี้หนูดูแลแม่อยู่ค่ะหรือต้องปลีกตัวออกห่างจากแม่คะหมายถึงเปิดให้คุณแม่ดูค่ะแต่ไม่ได้ดูค่ะเวลาเราก็หัดูไปมันถ้าเราไม่มี ความประสงค์ที่จะดูด้วยตัวเราเองแต่เร า, ายังต้องดูแลนคนอื่นเขาอยู่ถ้าเป็นความสุขของเขาก็ปล่อยเขาดูไปเราได้ยินแล้วเราก็อย่าไปสนใจอะไรค่ะ <c oughs> คำถามถัดไปจาก Youtube ดกรค่ะเมื่อเราเห็นเพื่อนทำผิดและได้ตักเตือนแล้วเขาเข้าใจแต่ยังไม่สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้และเราปล่อยวางจากเขาเหมือนเราช่วยเขาพ้นทุกข์ไม่ได้เราควรทาอย่างไรต่อดีคะ ก็ทําอะไรไม่ได้นะเมื่อเขารู้แล้วว่าเขาผิดเี่ยเขาก็ต้องเป็นคนที่เขาต้องทําเองเราทําอะไรให้เขาไม่ได้เราก็ต้องทําใจเป็นอุเบกขาไปวางเฉยไปปล่อยให้เป็นบุญเป็นกรรมของเขาไปค่ะคําถามจากคุณวรังค่ะ กรน้อมกราบนมั ส, สการเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะคนที่กระตันยูต่อแม่แต่ต่เนระคุณต่อผู้มีพระคุณจะมีผลเป็นอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะคนมีความกตันยู่อแม่ก็เป็นผู้มีพระคุณแล้วไปยังไงําไม้เข้าใจ<อ>นะไม่ไปเนรคุณคนอื่นนะที่มีพระคุณค่ะใช่ค่ะถอาเนรคุณมันก็ผิดเนี่ยก็เลอกปฏิบัติทาได้เฉพาะบางคน บางคนทำไม่ได้ก็ได้ครึ่งๆได้ห้าสิบห้าสิบเวลากระตันอยู่ก็ได้ห้าสิบเวลาเนรคุณก็เสียห้าสิบค่ะคำถามถัดไปจากคุณแบมแบมค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะคำถามแรกถ้าใจกระเพิ่มแล้วมันจะหายทุกใจอาการแบบนี้คืออะไรคะส่วนใหญ่เวลากระเพื่อมมันจะทุกข์ถ้ามันนิ่งมันถึงจะไม่ทุกข์ค่ะ คำถามถัดไปค่ะการเจริญสติช่วยในการรักษาศีลไหมเจ้าคะช่วยแน่นอนเพราะถ้ามีสติแล้วอย่างคนที่เขาขับรถแล้วเมานี้เขาไม่มีสติเพราะคิดอยากจะพูดอยากจะทำอะไรเขาก็ข้ามใจไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติพอเราจะทำบาปล้วก็หาข้ามใจได้ค่ะคำถามถัดไปจากคุณ t h อ m u l t ติ e r s ร์ u n ซ t y อาการของจิตเป็นสังขตะ มีตลอดเวลาและตั น, าตนหาสามยังมีต่อธทมหรืออาการเหล่านั้นบางตัวควรฝึกอย่างไรต่อครับกราบขอบพระคุณครับสังขารเป็นไปได้ทั้งกิเลสเป็นไปได้ทางทางธรรมแล้วก็เอาสังขารมาปรุงแต่งทางธรรมคือปรุงแต่งว่าทุกอย่างเป็นทุกทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่ใช่ของเราตัวเราอันนี้ก็จะเป็นทางธรรมมันก็จะระงับดับความทุกข์ได้ถ้าปล่อยให้คิดไปทางกิเลสว่าเป็นตัวเราของเรา มันก็จะทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาค่ะคำถามจากคุณดวงใจยมอยากให้แม่สนใจทำแต่แม่ไม่ชอบเลยยมเคยเปิดธรรมะให้ท่านฟังแต่ท่านฟั ง, ไ ด, งได้นิดนึงก็บอกไม่ชอบพอพูดถึงเรื่องตายท่านก็ไม่ให้พูดพระอาจารย์มีวิธีแนะนำให้ท่านสนใจธรรมะบ้างไหมคะตอนใจท่านยังเป็นเด็กอยู่นะ เด็กก็เราก็รู้ว่าเด็กเราไปสอนเรื่องของผู้ใหญ่ให้เขาฟังไม่ได้ก็ต้องรอให้เขาเจริญ เ, เติบโ ต, ต, ต, ต, ตขึ้นมาก่อนเน้นในสิ่งไหนที่เขายังรับไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปสอนเขาสอนในสิ่งที่เขารับได้สอนเรื่องทําไปบุญไปสวรรค์อะไรอย่างนี้ได้อยู่เพราะคนยังยังชอบสวรรค์ยังชอบความสุขอย่างนี้นอยู่ตอนนี้ยังไม่มีคําถามค่ะคมีใครอยากจะถามอีกไหม คนเรานี่จิตถึงแม่ร่างกายแม้จะเป็นผู้ใหญ่แต่จิตอาจจะเป็นเด็กก็ได้จิตนี้อยู่ที่ว่ามีความรับรู้ได้มากได้น้อยต่างกันรับรู้สภาพความเป็นจริงได้มากน้อยต่างกันจิตที่ยังเป็นยาวยังวัยอยู่นี้จะไม่กล้ารับความจริงได้เรื่องความแก่ความเจ็บความตายนี่จะไม่ไม่ไม่ยอมรับ ก็สอนสอนอย่างอื่นที่เขารับได้สอนเรื่องสวรรค์เรื่องอะไรทำบุญแล้วได้ไปสวรรค์ได้มีความสุขอะไรอย่างนั้นไปสอนให้ทำบุญทำทางไปก่อนรักษาศีลได้ก็รักษาศีลไปทำเท่าที่ทำได้คำถามถัดไปจาก y o u t u ด e อกตอร์ค่ะจิตที่นั่งสมาธิแล้ว เป็นดวงกลมสีขาวเท่าไข่ไก่มือไม้หายไปควรปฏิบัติต่ออย่างไรกราบนมัสการสาธุค่ะควรจะกลับมาที่ลมหายใจหรือที่พุโทโธที่เราใช้อยู่อย่าไปสนใจกับอาการที่เกิดขึ้นมันเป็นของกลอม ม, มันไม่ได้เป็นผลที่เราต้องการผลแท้จริงที่เราต้องการก ค, คือความนิ่งความว่างถ้ายังมีเห็นอะไรอยู่แสดงว่าเรายังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางกลับมาภาวนาต่อ กลับมาที่พุโทโธถ้าเราใช้พุโทโธกลับมาที่ลมถ้าเราใช้ลมอย่าไปสนใจกับอาการที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นขอขอโอกาสเจ้าค่ะจริงๆก็เป็นคำถามคิดมานานแล้วนะเจ้าค่ะก็ตั้งแต่โควิดก็ไม่ได้เจอท่านเกือบสองปีนะคะก็คิดมาตลอดคิดว่าไม่น่าจะถามแต่ขอขอถามแล้วเจกันเจ้าค่ะอย่างอย่างวันนี้ท่านเทศเรื่องบา ร, รมี สิทิศใช่ไหมคะ1ิแล้วท่านบอกว่าเป็น อ, อินสูเมนต์สี่ตัวแล้วก็เป็นแมทชิเรียลอีก6ตัวเนาะมีตัวหนึ่งก็คือเรื่องอธิษฐ า, านอธิษฐานน่าจะเคลียแล้วก็มีเรื่องออคอมเพียนวิริยะใช่ไหมคะมจริงๆคำว่าวิริยะเนี่ยโยมโยมเคยถามมาหลายรอบแล้วว่าจะสร้างได้ยังไงเนาะก็ท่านก็บอกว่าก็วิริยะไปเนาะ อันนี้โยมข อ, ขอที่หมอเป็นคนวิวนิจฉัยเลยนะคะว่าโยมเป็นกึ่งกลาง ร, ระหว่างดิสเลกเซียกับออทิสติกนะคะแต่ว่าเป็นกึ่งกลางคือจะไม่ออกอาการเลยแต่ว่าจะออกก็ต่อเมื่อเรียนหนังสือนะคะอันนี้เป็นแบบคนที่วิชัยคือคนอังกฤษเลยะคะ่ะเพราะว่าโยมสังเกตว่าเออทาไมตัวเองเป็นอย่างนี้อันนี้แค่ท้าวความนะคะกลับมาเรื่องความเพียรไอความเพียรที่แบบ สอนแค่ความเพียรเนี่ยมันไม่เวิร์กสาหรับโยมอะค่ะโยมต้องไปหาเหตุผลว่าความเพียรคืออะไรแล้วก็มีนักวิจัยอังองเมริกาท่านหนึ่งนะคะชื่อแองจิล่ามันเขาบอกความเพียรเนี่ยน่าจะเกิดจากองค์ประกอบอยู่2อันนะคะหก็คือคนที่เพียรโดยเพราะว่ามีความรักในสิ่งนั้นเลยจะอัตโนมัติเลยอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องเขาต้องเห็นเป้าหมายก็เพิ่งตัวนี้แหละค่ะที่เมื่อ2เดือนที่แล้วได้ยินมาถึงมาสอนใจตัวเองว่า ที่เราไม่มีความเพียรเลยเนี่ยถ้าเราไปกำหนดว่าความรักนี่น่าจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่ า, ายมเป็นคนเบื่อง่ายมากก็เลยมาที่เป้าหมายแล้วปรากฏว่ามันได้ผลก็เลยอยากจะสอบถามท่านอีกรอบนะคะว่ามันมีวรารจิตของกลุ่มคนพวกนี้ไหมคะที่จะที่ท่านเทศคือมาฟังเนี่ยก็มาบางทีก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจมากแต่เห็นท่านก็โอเคอันนี้คือสิ่งที่ควรจะทา ก็อย่างที่มาวัดเนี่ยก็คือมันอัตโนมัติเหมือนเหมือนเป็นอาจจะเป็นชาติก่อนที่ยังไงก็มาได้ค่ะแต่ในเรื่องความเพียรเนี่ยจะต้องบอกใจตัวเองว่าเออองค์ประกอบไหนนะวันนี้เคยเพิ่งรู้เลยเมื่อสเดือนก็อยากจะสอบถามทัานว่ามันมีกลุ่มบุคคลว ร, รจิตของกลุ่มไหนที่แบบไอสอนแค่โดยไม่ให้เหตุผลเนี่ยมันไม่เวิร์กเลยเจ้าค่ะออทุกคนต้องมีเหตุผลที่มาวัด น, นี่ก็เพรามีเหตุผลมาเ <c oughs> พราะว่ามาเราจะได้ประโยชน์ <c oughs> ถือมาถ้ามาแล้วเสียประโยชน์ก็จะไม่มากันฉะนั้นเรามีเป้าหมายคือเรารู้ว่าผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําของเราเราจึงทํามันที่คุณมาวัดนี่ก็คุณก็รู้ว่าคุณจะมาได้ได้อะไรบางอยากที่คุณจะไม่ได้ถ้าไม่ได้มา <c oughs> คุณถึงมาอะมันมันเป็นมีต้องมีของล่อใจภาษาอังกฤษก็เรียกว่ามีอินเซนティブพอมี incentive เช่นคุณไป ทำงานต้องมีเงินเดือนให้คุณอเงี้ยมันคุณก็มีความขยันที่จะไปทํางานทุกวันถ้าไปทํางานแล้วไม่มีเงินเดือนคุณจะไปไหมนั่นแหละงั้นมาวัดมาม า, มาปฏิบัติบาลามีสิทธิก็คือนี้นี่ผ่านก็คือ incentive ของพวกเราคือการสิ้นสุดของการเรียนว่า้ตายเกิดการได้ไปถึงพระนิพพานเหมือนกับพระพุทธเจ้าอันนี้มันก็เป็น incentive ที่จะทําให้เรามีความขยันนั่นเพียงที่จะสร้างบาลามีสิ บรารมีต่างๆขึ้นมาคําว่ า, ะะา อ, อินเซนティブเหรอคะเจ้าค่ะอย่างเช่นบอกว่าป้าหมายไง <above S 3> ใชก่ก็คือเป้าหมาย<อ>ที่ท่านบอกะคะอ่ะ อ, อ, อย่างคําว่าพระนิพพานเนี่ยมันคือคือแค่โยมรู้สึกว่าต้องมาแต่ว่าอินเซนทีブที่บอกพระนิพพานมันแบบมันเลอะมากเลยะค่ะก็เลยบอกว่าอินเซนทィブณขณะนีอ้อินเซนティブก็คือกลัวว่า อันนี้ที่สอนใจตัวเองทุกวันน่ยนะคะอินเซนティブที่ได้ผลที่สุดกร น, นี้ก็คือคกูว่าเกิดมาชาตินี้แล้วจะมาแบบเสียเสียโอกาสแบบเหมือนมีบุญมาเจอนั่นแหละก็เป็นอินเซนティブที่ถูกต้องนะการมาสร้างบารมีเพื่อออกจากการเวียนว่ายตายเกิดคุณไม่ต้องการที่อยากจะมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆคุณอยากจะได้ผลประโยชน์จากชาตินี้ให้มากสุดๆดก็เลยต้องมามามาฟังเทศแล้วก็มาปฏิบัติธรรม อันนี้ก็เป็นสันติพแสดงว่าก็สรุปก็คือก็คือโยมที่โยมทานี้ก็คือถูกแล้วก็คือต้องคือ<ม>ถ้าต้องกระตุ้น ต, ต, ต, ตลอดเลยไม่งั้นจะไม่ทำเลยพอที่เกียบป่า บ, าบาอกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียเวลานะเกิดมาแล้วเสียชาติเกิด น, นะมีของดีๆเราเราอยู่เรากลับไม่ไม่สนใจไม่รีบตับตัว และถ้าเกิดไม่กระตุ้นนี่ก็คือไม่ไม่ทําอันนี้คือคือยมคิดว่าไม่จะเป็นต้องกระตุ้นกระตุ้นคือแค่ฟังท่านแล้วก็ไปฝึกปรากฏว่ามันไม่ได้ผลก็เลยต้องบอกตัวเองให้กระตุ้นตลอดเลยต้องกระตุ้นไปยังกว่าจะได้ผลพอได้ผลแล้วผลมันจะเป็นตัวกระตุ้นเราเองทีนี้โอเคเจ้าค่ะต้องต้องกระทำต้องขยนันต้องพยายามทำไ้เรื่อยๆอย่าท้อแท้ขันติอดทนเวลาเกิดความไม่อยากจะทําก็ต้องสู้กับความขี้เกียจ คำถามถัดไปจากคุณคิดดีล้านค่ะจิตนิ่งตลอดเวลารู้ตามทันอารมณ์โกรธได้ไวครับตอนนี้มีอาการหลังจากออกจากสมาธิแล้วอาการทรงอุเบกขาตลอดเป็นอย่างนี้มาสิบกว่าปีต้องทำยังไงต่อครับ <c oughs> ถ้ามันไม่มีกิเลสก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วไต่มันทรงอุเบกขาไปตลอดถ้ามันไม่อุเบกขาต้องใช้ปัญญามาหยุด อยู่ความอยากพอ ต, ตัวตัวความอยากมาสร้างมาทาลายอู้เบกขาค่ะคำถามถัดไปจากคุณทิติชยากราบสอบถามเจ้าค่ะเหมือนพ่อกับแม่มีลูกถ้าเป็นทางด้านการค้าก็เหมือนกับผลิตสินค้าเพียงแต่ลูกมาใช้ชีวิตสร้างบา ร, รมีต่อแบบนี้หนูเข้าใจถูกไหมคะอะไรนะันไม่เข้าใจคําถามพ่อกับลูกมาสร้างบา ร, รมีอะไรนะเหมือนกับ แล้วลราลองแปลความหมายห้ฟังหนที่หนูเข้าใจก็คือว่าเหมือนพ่อกับแม่มีลูกเนี่ยเหมือนกับเขาผลิตสินค้าส่วนตัวเราก็เกิดมาเพื่อสร้างบารมีต่อใช่ไหมคะแล้วทุกคนกันมาก็ามาเพื่อสร้างบารมีหรือมาสร้างกิเลสมันมีสองอย่างสร้างกิเลสก็สร้างการเวียนว่ายตายเกิดสร้างบารมีก็สร้างนิพพานสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดก็อยู่ที่เราจะเลือกไปไปสร้างอะไรกัน ค, คำถามถัดไปจากคุณสุภาพร์ค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายการฝึกจิตให้นิ่งที่จำกัดตัวเองอยู่ในห้อง6ชั่วโมงโดยยืนและนั่งเท่านั้นและใช้การภาวนาพุทธโธสลับดูลมหายใจสลับดูพองยุบดูอาการ32จนครบเวลาการปฏิบัติแบบนี้ถูกไหมคะใช่พยายามทำใจให้นิ่งให้ได้อย่าให้มันอยากอย่างงับความอยาก ที่เรลุกไปทํานู่นทำนี่เดินเดินไปนู่นเดินมานี่ด้วยการให้มันเจริญสติพุทโธพุธโ ท, ท, ธโทไปถ้าเบื่อพุทธโธก็สวดมนต์ไปเบื่อสวดมนต์ก็ดูว่าท่องอาการสาสองไปพอเบื่ออาการสามสก็นั่งหลับตาดูลมหายใจไปทําอะไรพวกนี้อย่าไปทําอย่างอื่นถ้าทําอย่างนี้นเดี๋ยวความอยากมันหยุดเอง พอหยุดแล้วทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากระตุน้นมามาสร้างความเครียดให้เราเราก็นั่งเฉยๆได้อันนี้เป็นขั้นตอนของการปราบความอยากความอยากของเรานี่มันมันไม่ยอมอยู่เป็นสุขใช่ไหมอยู่เฉยๆไม่ได้มีเฉยไดต้องมีอะไรดูบ้างมีอะไรฟังบ้างยิ่งสมัยนี้มีมือถือเครื่องแก้งเอาไปเพอไปนั่งรอใครนี่ครับก็ดูมือถืออะไรไปมันมันก็กลายเป็นความทําตามความอยากไป พิธีที่จะกจัดความอยากก็ไม่ใช้มือถือไม่ใช้อะไรเลยใช้สติใช้ปัญญาของอย่างนี้พยายามฝึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะเอาชนะความอยากได้แล้วความอยากจะไม่มาเป็นตัวคอยกระตุ้นให้เราต้องไปทำนู่นทำนี่ให้เหนื่อยอะไรเปล่ปาๆทาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอทําแล้วต้องทําอยู่เรื่อยๆ <c oughs> คำถามสกุณเฉลิมพลค่ะขอสอบถามพระอาจารย์เมื่อก่อนจะทําอะไรไม่ดีก็จะมีหิริโอตปะและอายใจจนเมื่อครั้งหนึ่งยับอย่างช่างใจทนไม่ได้ทําลาดไปคิดว่าไม่เป็นไรครั้งเดียวจนมีครั้งที่สองและสามจนตอนนี้รู้สึกตัวแล้วและรู้สึกผิดมากตั้งสัจจะจะไม่ทําอีกแล้วแต่ตอนนี้จะทําผิดอะไรเล็กๆน้อยๆความรู้สึกหิริโอตปะเหมือนจะไม่มีอีกแล้วต้องทําอย่างไรดีครับ ก็ต้องคิดถึงผลที่จะตามมาจากการกระทำบาปว่าทำแล้วมันจะทำให้เกิดความทุกข์ใจเกิดความเสียหายต่อจิตใจและอาจจะไปทำความเสียหายกับผู้อื่นด้วยต้องเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการกระทาของเราค่ะคำถามถัดไปจากคุณเดฟเรียนถามพระอาจารย์ครับ เวลาสวดมนต์กระผมหยุดความคิดไม่ได้แต่ปากก็สวดจนจบแบบนี้บาปไหมครับไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่ายังไม่ได้สติยังไม่ได้สติยังไม่ได้ความสง บ, บแต่พยายามทำไปอย่าไปสนใจกับความคิดให้จดจ่ออยู่กับการสวดถ้าสวดไปคิดไปก็อาจจะสวดให้ช้าลงหน่อย <c oughs> เพื่อให้มีมีความตั้งใจที่จะอยู่กับบทสวดมนต์มากขึ้นอาจจะสวดให้ช้าลงหรืออาจจะสวดให้เร็วขึ้นก็ได้ยียง วิธีใดที่จะทำให้เราไม่ไ ม, ไม่คิดไม่คิดให้น้อยลงได้ก็เอาวิธีนั้นไปค่ะคำถามจากคุณ s ัม s u งกา a ล็กซี่ค่ะกำหนดอนาปนาสติหรือกำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันทุกขณะจิตมีสติปัญญาควบคุมเวทนาไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดตัณหาเมื่อมีผัสสะการไม่เกิดอุปทานขันคือการดับเหตุแห่งทุกข์ที่ถูกต้องคือการดับเหตุแห่งทุกข์ที่ถูกต้องครับ ก็ต้องละความอยากและความอยากละอุปทานมันก็จะไม่เกิดทุกข์ถ้าเราไปยึดไปถือว่าเป็นเป็นเราเป็นของเราเราก็จะอยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆมันก็จะเกิดความทุกข์ฉะนั้นต้องละอุปทานละปล่อยวางไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราแล้วความทุกข์ก็จะไม่เกิดค่ะคือตรงที่เขาพูดว่าจิตมีสติปัญญาควบคุมเวทนา ไม่ให้เกิดตัณหาเมื่อมีผัสสะนี่ก็ใช่งให้รู้เฉยๆไปอ๋อค่ะให้รู้เฉยๆทุกข์ก็มันเจ็บก็รู้มันเจ็บแต่อย่าไปอยากให้มันหายเจ็บอย่าไปคิดว่าเราเจ็บอันนี้ไม่ใช่เราร่างกายเจ็บร่างกายไม่ใช่เราอย่าไปยึดร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราปล่อยมันให้มันเจ็บไปเราเป็นผู้รู้ก็รับรู้ไปเฉยๆแล้วทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นมากับผู้รู้ค่ะ ข, ขอบคุณค่ะ คำถามถัดไปจากคุณจารุนีกลับ น, นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะขออนุญาตถามว่าสมมุติว่าเราตายไปเกิดเป็นเทวดาเราสามารถปฏิบัติต่อจนถึงพระนิพพานได้ไหมเจ้าคะยากเพราะว่ามันเป็นภพที่มีความสุขมากมันก็เลยทำให้เราไม่มีความอะไรมากระตุน้นเหมือนกับภพบมนุษย์เราเห็นความทุกข์อยู่เรื่อยๆมันก็จะกระตุน้นแต่ก็ปฏิบัติได้ถ้าเป็นคนที่ฝ่ยทําอยู่แล้ว แล้วเป็นคนที่สนใจแล้วมีมีพระพุทธเจ้าแลือมีผ้าหลานมาแสดงธรรมโปรดอยู่เรื่อยๆก็สามารถปฏิบัติต่อได้แต่ยากยากกว่าการเป็นมนุษย์ก็ไม่แน่หรอกมันถึงแม้เป็นมนุษย์ไม่ไ ม, ไม่ปฏิบัติกันก็เยอะนั่นมันก็อยู่ที่แต่ละคนอยู่แต่ละคนอยู่ที่นิสัยของแต่ละคนถ้ามีนิสัยฝ่ายธรรมไม่ว่าจะไปอยู่ภบใดก็จะปฏิบัติต่อ คำถามถัดไปจากคุณคิดดีสติทําให้เกิดปัญญาใช่ไหมครับสมาธิเราต่อด้วยวิปัสสนามันเกิดเองหรือต้องเจริญกุศลจิตเพื่อถอดถอนกิเลสครับสติทําให้เกิดสมาธิเกิดความสงบปัญญาเกิดจากการพิจารณาตายลักพิจารณาอริยสัจสี่ปัญญาไม่เกิดขึ้นจากสตินอสมาธิต้องพิจารณาเกิดแก่เจบตา ย, ยานั้นเองที่ว่าเป็นปัญญาเป็นมพิจารณาตายลักษ คำถามจากคุณสมใจค่ะขออนุ ญ, ญาตสอบถามพระอาจารย์ค่ะพอนั่งสมาธิคอยจะหลับอยู่เรื่อยเลยค่ะถ้าเราจะใช้วิธีภาวนาพุทโธกรณีไปภาวนาเป็นหมู่คณะใส่หน้ากากันทุกคนเราจะเปล่งเสียงออกมาพึมพำแบบนี้จะได้ไหมคะมันไม่ได้เป็นการภาวนาถ้าต้องออกเสียงควรจะให้อยู่ในใจเพราะใจเป็นผู้ภาวนาไม่ใช่ร่างกาย เพราะนั้นเราไม่ต้องการที่จะไปสั่งให้ร่างกายต้องมาภาวนากับใจมันก็จะเป็นการทำงานสองสองตัสองต่อด้วยกันนั้นเอาเอางานต่อเดียวทำในใจอย่างเดียวอย่าทำมาทางร่างกายไหวให้ร่างกายนั่งเฉยๆไม่ไม่ต้องทาอะไรค่ะคำถามถัดไปจากคุณรัชดาเราไปวัดแต่เราเลือกตั้งปิ่นโตที่เราคิดว่าพระที่เขาปฏิบัติเคร่งครัดอย่างนี้ได้ไหมคะ คือเข้าใจว่าเขาน่าจะถามว่าเราเลือกตั้งปิ่นโตให้พระที่ปฏิบัติ ด, ดีอย่างนี้ได้ไหมคะตั้งปิ่นโตค่ะเขาใช้คำว่าตั้งปิ่นโตถวายปิ่นโตหรือเปล่าคะถวายเฉพาะองค์เลยคิดคิดว่านะคะคิดว่าต้องดูตามธรรมเนียมของวัดค่าว่าเขาให้ถวายเฉพาะองค์หรือว่าเขาให้ถถวายเป็นส่วนรวมแล้วให้ออกไปแบ่งกันถ้าบางวัดนี่เขาจะให้ถวายเป็นส่วนรวม เราก็ให้ไปแบ่งกันโดยไปให้หัวหน้าเป็นผู้พิจารณาเลือกก่อนแล้วก็ส่งไปให้กับผู้ที่อ่อนอ่อนพรรษาตามลําดับต่อไปไ ม, ไม่ให้เจาะจงให้กับรูปใดรูปหนึ่งแต่ก็ส่วนใหญ่ก็วัดส่วนใหญ่เขากาอนุญาตให้ทําได้ทั้งสองอย่างจะถวายเป็นส่วนรวมก็ได้ถ้าเรามีความผูกพันกับรูปใดรูปหนึ่งอาจจะเป็นญาติกันหรืออาจจะเป็นแฟนมาบวช่างนี้ก็ อยากจะมาทําบุญกับแฟนก็ก็ไม่มีใครห้ามแต่ถ้าจะทําบุญแบบไม่เลือกก็ควรจะทำให้กับส่วนรวมเรียกว่าเป็นสังฆทานถ้าทําให้กับส่วนรวมเรียกว่าเป็นสังฆทานถ้าทําให้เจาะจงกับคนนั้นคนนี้เรียกว่า บ, บุคลิสทานอันนี้ส์จากการทํานี้สังฆทานนี้จะมีประโยชน์มากกว่าบุคลิสทานคําถามจากคุณจากคุณส้มค่ะ ขอโอกาสในการสอบถามพระอาจารย์คะ่ะหากพบผู้อาวุโสกว่าในบ้านหรือในที่ทํางานประพฤติไม่เหมาะสมกับการเคารพลูกหลานหรือผู้น้อยควรให้ความเคารพนับถือหรือไม่หากจําเป็นต้องให้ความเคารพมีอุบายในการบอกใจตัวเองอย่างไรให้แสดงความเคารพผู้มีอาวุโสกว่าเหล่านั้นได้อย่างเป็นปกติคะ่ะก็ท่านก็ยังอาวุโสเหมือนเดิมการกระทําผิดของท่านนี่ก็เป็นเรื่องของครูตุชนธรรมดา ซึ่งเราก็อาจจะกระทําได้เราก็ต้องรู้จักการให้อภัยเราก็ต้องยึดหลักแต่เดิมคือท่านมีอายุมากกว่าเราท่าน ก, ก็เป็นอาวุโสกว่าเราอยู่ดีท่านมีตําแหน่งสูงกว่าเราท่านก็เป็นผู้มีอาวุโสกว่าเราเราก็ยังเคารพในในตำแหน่งในอาวุโสแต่เราไม่ไปเคารพในความไม่ดีของเขาเราก็ต้องรู้จักแยกแยะไปให้ค่ะคำถามจากคุณวีค่ะ ขอกลับเรียนถามพระอาจารย์แนะนำการเจริญสติระหว่างวันสำหรับคนที่มีงานทางโลกยุ่งมากในระหว่างวันเพราะพอหมดงานในแต่ละวันมักจะเหนื่อยจนไม่ต้องการนั่งสมาธิแล้วครับก็ยากอ่ะเพราะว่าเวลาทำงานมันก็ต้องคิดมากถ้าไม่อยากจะคิดมากไม่อยากจะเหนื่อยก็ต้องหยุดทำงานยทำงานมันก็จะไม่ต้องคิดแล้วมันก็จะมีเวลานั่งสมาธิได้ ค่ะคำถามถัดไปจากท่านเดิมค่ะเวลาบริกรรมพุดโทแล้วมีความคิดแทรกเข้ามาเราสามารถแก้โดยบริกรรมให้เร็วขึ้นได้ไหมครับหรือทำอย่างไรดีครับก็ลองดูลองเร็วขึ้นหรือลองให้ช้าลงก็ได้ลองเปลี่ยนเร็นสปีดดูมันอาจจะทําให้เราต้องมีความมีสเต ม, มากขึ้นเวลาเราสวดช้าลงแล้วสวดเร็วขึ้นก็ได้ค่ะ หมดล้ยังหมดละค่ะพอดีก็ขอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิศพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ